นิสักิยปาจิตตีสิกขาบทที่สามว่าจีวรสำเร็จแล้วกระถินอันภิกษุดอดเสแล้วอาการละจีวรเกิดขึ้นแก่ภิกษุภิกษุหวังอยู่ก็พึงรับรันรับแล้วพึงรีบให้ทาถ้าผ้านั้นมีไม่พอเมื่อความหวังว่าจะได้มีอยู่ภิกษุนั้นพึงเก็บจีวร น, นั้นไว ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งเพื่อจีวอนที่ยังบุกร่องอยู่จะได้พอกันถ้าเธอเก็บไว้ให้ยิ่งกว่ากำหนดนั้นแม้ความหวังว่าจะได้มีอยู่ก็เป็นนิสัคิยะปาจิตติจีวอนอันเกิดขึ้นนอกเขตจีวอนการนอกเขตอ น, นิสงฆ์กถินเรียกว่าอากาลจีวอนอากาละจีวอนนี้ ก็อิีแรกจีวร น, นั่นเองแต่ถ้าภิกษุต้องการจะทําตรจีวรผืนใดพืนหนึ่งใช้สอยยังไม่พอเมื่อความหวังว่าจะได้จีวรมาอีกแต่ที่ไหนที่ไหนก็ตามมีอยู่เก็บผ้ า, ากาลจีวร น, นั้นไว้ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างนานถ้าไม่ต้องการจะทำหรือไม่มีที่หวังข้างหน้าเช่นนี้อายุผ้านั้นเพียงสิบวัน หรือมีที่หวังอยู่แต่นานกว่าเดือนหนึ่งจึงจะได้เช่นนี้ก็เก็บไว้กว่าสิบวันไม่ได้เก็บอาการและจีวรไว้แล้วได้จีวรใหม่มาเติมพอจะทำได้แล้วจะพึงมีเวลาทำได้กี่วันพึงกำหนดด้วยอายุแห่งผ้าที่เก็บไว้เดิมและอายุแห่งผ้าที่ได้มาใหม่ข้างไหนอายุน้อยพึงรีบทำให้ทันอายุของข้างนั้น ตัว อ, อย่างเช่นเก็บผ้าไว้ได้สิบวันแล้วจึงได้ผ้าใหม่มาอย่างนี้ต้องทำตามอายุของผ้าใหม่คือสิบวันถ้าเก็บไว้ได้ย2สองวันแล้วจึงได้ผ้าใหม่มาอย่างนี้ต้องทำตามอายุของผ้าเก่าคือแปดวันถ้าเก็บมาได้เกินสิบวันแต่ยังไม่ครบเดือนหนึ่งจึงได้ผ้าใหม่มาเนื้อผิดกันมาก จะได้ทำก็ได้หรือได้ผ้าใหม่มาเมื่อจวนสิ้นกำหนดทำไม่ทันพึงอธิษฐานเป็นบริคารอย่างอื่นใช้พึงวิกับไว้หรือพึงให้แก่คนอื่นเสียในวันที่ตกลงว่าจะไม่ทำถ้าล่วงกาหนดการนั้นเป็นนิสสคีพึงเสียสละแก่สงแก่คณะแก่บุคคลก็ได้ คำเสสละแก่บุคคลว่าดังนี้อิทังเมพันเตอากาละจิวรังมาสาติกันตังนิสักขียังอิมาหังอายสมมโตนิสัชฌามิแปลว่าอากาละจีวานผืนนี้ของข้าพเจ้าล่วงเดือนหนึ่งจําจะสละข้าพเจ้าสละจีวานผืนนี้แก่ท่านไม่สละจีวรเป็นนิสักขี บริโภคเป็นทุกกฎอธิบายนอกจากนี้พึงรู้โดยในยะอันกล่าวแล้วในสิกขาบทที่หนึ่งนิกสากียะปาจิตตีสิกขาบทที่สี่ว่าอันหนึ่งภิกษุใดอย่างภิกษุณีผู้มีชายญาตให้ซักก็ดี ให้ยอมก็ดีซึ่งจีวรเก่าเป็นนิสักียาปาจิตตีจีวรเก่านั้นได้แก่จีวรที่ใช้แล้วนุ่งแล้วก็ดีห่มแล้วก็ดีแม้คราวเดียวในคำภีวิพังกล่าวการใช้ให้ซักให้ยอมหรือให้ทุกข์เฉพาะอย่างเฉพาะอย่างเป็นประโยคแห่งนิสักี ใช้ให้ทำการเช่นนั้นสองอย่างหรือแม้ทั้งสามอย่างรวมกันการทำอย่างแรกเป็นประโยคแห่งนิสัตทีการทำอย่างหลังและอย่างละอย่างเป็นประโยคแห่งทุกกฎใช้ให้ซักผ้าปูนั่งผ้าปูนอนเป็นอาบัตทุกกฎเพราะคำในสิกาบทมีจำกัดว่าใช้ภิกษุณีผู้มีชยญาต ใช้ภิกษุณีผู้เป็นญาติให้ทำไม่เป็นอาบัติเพราะคำว่าใช้ถ้าไม่ได้ใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติเอาไปทำเองหรือช่วยภิกษุณีผู้เป็นญาติชื่อว่าไม่ได้ใช้ไม่เป็นอาบัติเพราะคำว่าจีวรเก่าใช้ให้ซักจีวรที่ยังไม่ได้บริโภคไม่เป็นอาบัติ เพราะคำว่าจีวรใช้ให้ซักบริขารอื่นซึ่งไม่นับว่าจีวรไม่เป็นอาบัตสิกขาบทนี้ไม่ทำให้เกิดผลอย่างไรแล้วในบัตดนี้ถึงอย่างนั้นอธิบายไว้มากหน่อยเพื่อผู้ศึกษาจะได้รู้จักสังเกตถ้อยคำอันบ่งให้ถือเอาความอย่างไรอันหนึ่งความมุ่งหมายของสิกขาบทนี้ เพื่อจะป้องกันความน่าเกลียดใช้ผู้หญิงชาวบ้านให้ทำปรับนิสสัตขีไม่ได้ดอกแต่ไม่พ้นน่าเกลียดภิกษุผู้หวังปฏิบัติชอบควรเว้นแต่การใช้เช่นนั้นเสียนิสสัตขียาปาจิตตีสิกขาบทที่ห้าว่าอันหนึ่ง ภิกษุใดรับจีวรจากมือภิกษุณีผู้มีชญาตเว้นไว้แต่ของแลกเปลี่ยนเป็นนิสสัคิยะปาจิตตีข้อที่เว้นของแลกเปลี่ยนนั้นให้สมเร็จสันนิฐานว่าสิกขาบทนี้ทรงตั้งไว้เพื่อจะการไม่ให้ภิกษุรับของแห่งภิกษุณีมีลาบน้อยข้างเดียวถ้าสมควรจะรับก็ต้องให้ของแลกเปลี่ยน และของแลกเปลี่ยนนั้นท่านว่าจะยิ่งหรือหย่อนก็ได้แต่ข้าพเจ้าเข้าใจว่าควรจะเป็นของพอสม่ำเสมอกันอาบัตในสิกขาบทนี้ต้องทำเพราะทำทั้งเพราะไม่ทำคือรับจีวรแต่ไม่ทำการแลกเปลี่ยน